สั่งคำต่อเนะ้ขอจะได้เมื่อได้ต่อคำสองสอนอย่าพากันขี้เกียจทำตามอย่ า, าสมติใจเพิดเพลินไปทางอื่นมากเกินไปให้มีสติดูแลกายใจของตัวเองให้มากี่สุดน์หน้ก็มองตากับข้างอ้าด้านในตาภายใน เนต้ตาภายนอกก็หัดปองกลับมาด้านในจะมองไปหาลูกขอโลถากินหาเสียงเอื้เพลในกามคนดูจากสมรวมอินรีในพระปลาติโมกเป็นข้อที่พระธิ้าห้ามทาตามข้อพู้องอนุญาตสมรวมอินรีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจในเวลาเห็นลูกฟังเสียงโดน ก, กินเลี้ยรลด ถูกต้องพุทธภาอา ร, รมณ์นิพากระทบหัดเข้มแข็งอย่าวันไหวอย่ารู้ไปตามรูปตามโลดจนถึงความพอใจไม่พอใจไม่จะติดลดของโลกถูกโลกทับถมไม่ปฏิชลาเพราะเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องจึงผลัตนสนต น, สน ฝึกกายสอนกายฝึกใจสอนใจตอนมีบทเรียนมากมายที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเรานี่เองเมื่อผู้ใดได้บทเรียนประจบพปเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกากับใจเป็นพระหสูตรให้บทเรียนเยอะอแยะเพราะเรามีจตุจตุนี่เป็นตัวบทเรียนเป็นตัวศึกษา เป็นนักศึกษาต่อไปถึงนักถึงผลหลางการศึกษาที่เป็นทางโลกจะเป็นสมมติปัญญาตวิชาการต่างๆมากไปถึงมักถึงผนได้อาจจะเป็นพิธีมานามีตัวไมี ต, มตนมากขึ้นก็ได้อย่างอ่านั้ังสือพิมพ์ สองสามวันนี่พระราชการชียเจดตกหูผู้ตรวจจะเกือนคนเข้าออกเมืองเข้าเมืองหาออกจะขึ้นเครื่องดินการตรวจเขาก็ตรวจบอกโกมตรวจบุคคลคนนั่นก็มือตกหูจนหูแตก ตกหูแล้วไหมพอจับคอเสื้อตะคอกหรู้จักกูไหมกูนี่เป็นข้ารายการ4 7เกตชมาสั่งมาสอนยอมตละกก็ตะคอกเสื้อตกหูอหกียดเห็นภาพหนังสือเพียหเนี่ยอย่างนั้นรือการศึกษา ศึกษาแบบมาหางด้วนไม่มีคุณธรรมมันจาจา์พูทธธดท่าแสดงทำว่าศึกษาแบบบาหางด้วนอันนั้นเราจึงบาศึกษาของเท็จของจริงที่มันเกิดกับกากับใจเรานี่ยให้าห็นความเท็ความจริงแล้วจะได้บทเรียนที่ดีที่สุด ว่าไปมักไปผลมีสติมันก็เป็นเจนเป็นเจนที่โตตอบตรวจสอบทักท่วงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับลายกับใจเราง่ายๆเห็นกายสักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกลตวตนเราขาไปทางนี้ อะไรที่มันเกิดขึ้นมากับกายที่มันซ่อนขึ้นมากายในกายอันกายที่เป็นรูปนี่มันก็ไปของมันเองไปสูค่ความเจ็บความเจ็บ ค, ความตายอันรูปอักายนี้เดออะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่เราต้องศึกษาที่ต้องเห็นได้บทเรียนเอาประโยชน์จากมานต่อยอดเอามาไล่ป็นดี สร้างความเห็นชอบได้กันที่เกิดกับปมากับใจเรานี้อย่าไปรสร้างความเห็นผิดเลือกเอาถลุงเอาย่อยเอาเห็นแล้วรู้แล้วนี่มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของจริงเห็นเป็นของไม่เที่ยงเอาเที่งกับของไม่เที่ยงไปก็ได้บทเรียน ไหนที่มันแสดงองอกมาจากกายที่เป็นรูปนี่บางีมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาก็สักว่าเวทนาซะว่าใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขา อ, อย่าเข้าไปเป็นผู้สุขอย่าเข้าไปเป็นผู้ทุกข์อย่าเข้าไปเป็นผู้ชอบไม่ชอบไปถึง จ, จิตใจจิตวิญญาณร่วมลุมกัน สร้างตัวสร้างตนขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติเราจึงเห็นว่าตัดประเด็นวันซะนี่เวทนาศักว่าเวทนาไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาให้ตอบภายในความรู้สึกตัวดึกๆจะได้บทเรียนได้ความแยบยลตรงนี้ถ้าจะอ่อนแอไปเช่อมแขงตรงนี้ถ้ามีผิดก็มีถูกตรงนี้ หลุดพ้นก็หลุดพ้นตรงนี้ต้งไม่หลุดพ้นก็ไม่หลุดพ้นตรงนี้เราหลุดพ้นตรงนี้บ้างไหชีวิตที่เราเกิดมาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์ที่มันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเยเข้าไปเป็นรือได้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงไปโทษใคร สุขเป็นสุกทุกข์เป็นทุกข์หนึ่งเป็นเช่นนั่นหรือชีวิตของเราแช่นี้ก็ยมหรือทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรสุขก็มาที่ ม, ไ ม, มไกกีไม่มีอะไรที่เป็นรุ้นเป็นก้อนทุกข์ก็บางมีอะไรที่เป็นรุ้นเป็นก้อนแต่เราไปถือว่าเป็นสขขนุกของเราเป็นทุกข์ของเราใช่ชีวิตแบบนั่นหรือ ก็เสียชาติมันก็เป็นไม่มีประโยชน์เลยคอยรับใช้คอยเป็นทาสคอยเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นนายของเราอยู่สุข ก, ก็ยอมสุขทุกข์ก็ยอมทุกข์เวทนาจาักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาจานตูดตกปลาหยืดที่มันคิด มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกัน ค, ความคิดเฉยๆเนี่ยเคยเห็นจิตที่มันคิดเคยเห็นความคิดตัวเองบ้างไหมหรือไปตามความคิดไปทั้งหมดะนะคิดะคิดอะไรขึ้นมาก็เป็นตัวเป็นตนอะไรความคิดพาสร้างควบสร้างชาติคิดเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ ผู้ปกความคิดเราเคยเห็นความคิดมีสติขณะที่มันคิดให้เห็นเป็นสัจตว่าคิดเป็นสัจตว่าจิตไม่ใช่สัจบุคคลตัวตนโลเขาให้ทำอย่างนี้ศึกษาหรือว่าศึกษาโตอตอบทักท่วงตรวจสอบมันจะหลุด ก็าไม่แก้ไม่ถุดตรงนี้มันก็ยังโุบติดอยู่โซ่ไม่แก้คนแก่ไม่ไขามันก็ไปไม่ได้ไปจากถึงไปคื อ, ค, อคือหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นมันก็ไปได้อิสละภาพอาการต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไปกบใจ ไปกิเลตนะเป็นร า, าคาก็ศักะว่ารไม่ใช่ัตบุคลตัวตนเเขากว่าหงอน็นักตว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความสงกความปิติมันก็ศักตะว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอาการาต่างๆมากมายที่มันเกิดพร้อมกันในสู่ในนามแสดงาเป็นธรมมรมาลม มีเชื่อมีสายร่วมกันนั้นก็ขาดเท่เารวมเมือกันทำงานขยันคนลับแบบเพื่อให้มันเป็นพบเป็นชาติจนอุปทานยึดรูปวัขยันสร้างขึ้นมาให้มีอะไรมากมาย เวทนาก็หยั่นางขึ้นมาไม่หมดเชื่อสุกเป็นสุกทุกปนจุดเชื่อของเวทนาแล้วก็ยืดว่าตัวว่าตนถ้าอันสุกอันทุกนั้นสัญญาก็ติดจำเอาไว้จำเอาไว้บันทึกเอาไว้เก็บข้อมูลเอาไว้ข้อมูลที่เร็วๆสามๆให้ติดข้างเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ให้เขาให้ ให้ข้อมูลไม่ดีมันก็ได้ภาพไม่ดีมืนกับเลนชีวิตที่ไม่ดีจะให้ข้อมูลไม่ดีวายราขะก็ลาคะจะหลุดข้อมูลไม่ดีฝ่ายโทสะก็โทสะจะหลุดฝ่ายโมหะก็เป็นโมหะจะหลดยิ่งใหญ่ลับใช่มันซอกสอกสอก จนเจริญตายนี่เรียกว่าสัญญาที่ให้ข้อมูลเจริงไม่ดีไม่เคยให้ความรู้จึกตัวให้ข้อมูลปล่อยใจของตัวไม่เคยเึกก็ได้ไม่ได้พุทธะจะรืญไม่มีพุทธไม่ตื่นไม่เบิกบานในแต่ชีวิตที่กระทบ งนสอนเป้าแหลงสอนใส่ให้เบิกบานสติไม่ตื่นสติกลางคืนเป็นควานกลวันเป็นเตียวกอาเกืนว่าฝันกลางวานันว่าคิดหมกมุ่นคุณคิดฝุนผันผันแลน่นเดี่ยวจากไม่น่าจะเห็นที่เหมือนแสดงมาถ้ามีสติจะเปรียบเทียบได้เจนชี่วาดได้ถ้ามีสติแนละ้ว เราเสียงต้องหรืออย่างเช่นเรามีวิชากรรมฐานนี่มันจะอยู่ไม่ได้มันจะถัดหลงจริงๆถ้ามีกรรมฐานจริงๆมีการกระทําจริงๆเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราเมีกรรมเป็นทายาทเราเมีกรรมเป็นของของเราแน่อนอนที่จุดถ้าเราหลงเป็นหลงมีกรรมในความหลง ถ้าเราทุกข์เป็นทุกข์ก็มีกรรมในความทุกข์ถ้าเราโกรธเป็นโกรธก็มีกรรมในความโกรธถ้ามีราคาผงแฉงในกิเลสต่งางก็มีกรรมรับใช่เกิตต่งางไปคนที่ผู้ศึกษาเขาจะต้องรู้จักแยกออกไปสักหน่อยมันมีอีกจริงๆเหรือรูปที่เป็นตัวเวทนาที่มันขยันที่มันเป็นสัญญาผูกเหยียดล่างดวงลูบดาได้ไหม เปลี่ยนวันนอนตัวมีสติย้อนยสังขารเก็กยันปุงอยู่นิ่งไม่เป็นการสังขารจิตตสังขารร่วมกามปุงปุงแต่งแต่ ง, ตงเพื่อมาให้หมดเชื่อเหมือนหนอนที่เกลี่ยขึ้นมาบนโคูดมุดลงไป เียขึ้นมาก็มุดลงไปเห็นว่ามันมีความสุขตอนติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารใครเป็นวิญญาณก็ติดติดแบบนั้น่างท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องก็ยังติดอยู่เวลาใดเกิดความไม่เที่ยงเกิดเ่งเราไปทุกติดความทุกติดความไม่เที่ยงมาเป็นทุก ติดวลมทุกเป็นทุกถ้าเรามีสติเราจะแยกได้ทุกกร น, นีจึงมีสติเป็นเจ้าเรือนสร้างกรรมฐานขึ้นมาแล้วก็จะทะหลงหรือว่าลื้อถอนสันกายสวาวะกายไม่ใช่สัตุบุคคลตัวตนเราขอควจะลื้อถอนโกงสร้างอันนึ่ง เหตุทานาจากวารธนามนจะลื้อถอนสัญญาหรือจิตมันจะลื้อถอนคำมันจะลื้อถอนโครงสร้างออกเหมือนพระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานเมื่อตัดสะลู่แล้วสังขาลาแต่ก่อนนี่เราไม่มีสติไม่มีย้นอย่างรู้ ถึง่อายถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมเราเล่นท่องเที่ยวไปกับมันแบบ น, นี้เรารู้จักเจ้าเฉียแล้วอันเจ้าสังขารเรารู้จักเจ้าเฉียแล้วโยอดเดือนเราก็รู้แล้วพงเรือนเราก็รู้แล้วเราไดลื้อแล้วเจ้าสังขารจะทำให้เราอะไรไม่ได้อีกต่อไป จิตของเราสติของเราญาณของเราวิปัสนาญาณของเราได้เกิดเกินแล้วจนพายถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานนี่คือพูดเป็นสมนุ น, น่ของขันเราก็ได้สวดสธยายพระสูตรอะไรก็มาเนาเปนทุกข์สัญญาปนทุกข์สังขารปนทุกข์วิญญาณปนทุกข์ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ว่าโดยยอโอุปลฐานขันทั้ง5เป็นทุกข์โลจอโยมันก็วิทนี้เมื่อมันมีอวัทานขันทังห้ามัเกิดมือหนี้ยวมันหันหลังให้กันกํามืดอดึงมันก็ไม่ติดกันลวนะวันมันไม่มีอวัทานก็หลุดพ้นได้ ลองหันหลังมือใส่กันดูกมดูชิดดึงดูซิมันก็ไม่ติดถ้าเอามือหันหน้ามือคล้องกันดึงก็ติดดึงก็ติดสูบ ก, ก็ติดมาทั้งสูบทุกข็ติดไปถึงทุกขโกรดก็มาถึงโกรดมันก็ดึงอยู่เนี่ยพอใจไม่พอใจดึงอยู่เนี่ยถ้ามันหลุดซะมันก็มันก็จะพ่นหลุดพ่นได้ จรงที่ว่าเรารู้จากเจ้าเสร็แล้วกองเรือนต้องเจ้หาหัสเสร็แล้วยอดเดินหักเสร็แล้วเอาจริงง่ายๆนะไม่ต้องขอแหลงขออะไรไมาต้องมา อ, อะไรทั้งหมดตามความเห็นมีสติเข้าไปใส่ใจเท้าหน่วยใส่ใจ เมื่อเราทำงานทำงานที่เราใส่ใจมันก็จะชำนานหัดอะไรก็ใส่ใจสักหน่อยทำใหม่ๆอาจจะไม่ชำนานหรอกระหว่างกลรมลู้สิกตัวเนี่ยมันจะหลงมากกว่าลู้ด้วยซ้ำไปเดินจังกรงาทีสงนาทีอาจจะหลงหลายครัง้งสร้างจาังหวะ จังหวะหนึ่งวินาทีหนึ่งสิบสี่จังหวะจะหลงไปอาจจะครึ่งหน 1, าาึ่น 1, งลั่วจะครึ่งหนึ่งทำหัดใหม่ใหม่ไปทางตาบ่างไปทางหูว่างไปทางจมูกลรือกาใจบ้างลืมจังหวะที่ยกอยู่นี้แล้ว ก, กลับมาได้เอาบทเรียนจากที่มันหลงนั่นแหละกลับมาตั้งหว้กลับมาตั้งไว้ การจัดจำ دان แต่เมื่อกลับมาลู่ตรงนี้เรียกว่ากรรมฐานถ้ามันกลับมาไม่เรียกว่ากรรมฐานไม่มีที่ตั้งปตปนอตตกรรมพฤตกรรมที่ไม่มีผลเราจึงต้องใส่ใจสักหน่อยได้ปเปลี่ยนจากมันหลงเด้เปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ใช่สติอันเหละมากมายวางคนเอาจะมีมาก ก็ได้รูปมากว่าคนที่มันมีปัญหามากไม่บไม่มีบทเรียนมากบางคนมีอะไรที่เกิดแปากใจมากหรือใช่ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ม, มามากอาจจะบาดปึกม า, มากติดอะไรบาบา้างก็ยิ่งดีาง่าจะได้รู้เห็นที่บันแสดงออกบาง คนติดบุหรี่ก็จ ะ, สะแสดงถึงอาการที่ติดบุหรี่คนกินเหล้าก็จ ะ, ะดงกินเหล้าคนมีโทรศัพท์ก็จะดงโทรศัพท์ฉลกออกมาถ้าไดเห็นจริงๆก็จะหักดิบตรงนั่นได้ตื่นตรงนั่นได้กระโดดได้ตรงนั้นได้ ถ้ามีสติดีๆนะดักดูดีๆเลยจับได้ไล่ทันมันคนละเรื่องละหลาจริงๆถ้าว่างของลูกก็ความหลงทุกคนโตเกิดจากความหลงนี่แหละแล้วก็จับทานได้แล้วป่าวว่าที่หลงมาว่าที่ลูกเนี่ยตรงกันพอดีเลยหมันทางแยกอา แ, แยกผิดก็ไปไม่ถูกเลย ถ้าไปทางแยกถูกก็ไปถูกหนะ่อไม่พยายามแยกให้ถูกถ้าหลงให้เป็นลูทุกข์ให้เป็นลูสุขให้เป็นลูอะไรก็ตามให้เป็นลูถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์พอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจก็ไปผิดเลยๆผิดเรื่อยๆประชดดานในความผิดไปจะมันก็เลย พลาดพาดตรงที่มันผิดผิดที่ใดก็ผิดทุกทีสุขที่ไใดก็สุขทุกทีทุกที่ใด ก, ก็ทุกทุกทีไม่ได้บทเรียนถ้ามีใส่ใจดีๆจะมีบทเรียนบางทีพอจับบทเรียนได้ดีก็มันก็ไปทะลุทะลุทะลุทะ ล, ทะลุไปหลายอย่าง ตามมาได้บทเรียนก็มืดพื้มาติดมาผิดม า, มดมาหลายอย่างแปดด้านก็มืดแปดด้านจนสุใบได้เย่ยมันทะลุมีเปลี่ยนโต้ตอมันจะเด้งไปกันเองทะลุแป ด, ด้านหนกันเห็นช่องเห็นทาง ใต้กระแสะแห่งพระนิพพานเข้ากับแสแห่งพระอายะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งมันมีเกรดดีให้หลงเป็นลูกเกิดบันดีอะไรก็เป็นลูกเกิดดีเมื่อเกิดันดีก็เลื่อนชั้นได้เขา้ามหาวิทยาลัยผ่านมหาวิทยาลัยได้ออาเกรดไปอวดเลยขี้วัดเลย น, นั่นเป็นสมมติปัญญาต์เกตของปฏิบัติธรรมที่บรรอยู่กับเราเนี่ยเราต้องสร้างขึ้นว่าไม่ต้องมีอะไรมาอ้างไม่ต้องมีเชื่อนมีสายมาจากที่อื่นไม่ต้องใช้ส ม, มองเหมือนกเกตการศึกษามีแต่สติเท่าด้านที่ปเป็นเกตภาไปถึงบักถึงผลนี่ยเราก็สร้างได้ทุกคน เอามือว่าวาบาังเขาพลิกมือขึ้นก็รู้แสดงว่ามีหนอแล้วยกมือขึ้นรูยกปือไปสิบ่จังหวะรู้ทุกจกังหวะเท่าเท่ากันหมดเหมือนกันหมดถ้าศึกษาจากนี้ต้องเป็นเรื่องของตัวเองไม่มีคนอื่นช่วยได้เห็นเองตอบเองหลงเองก็รู้เองทุกเองก็รู้เอง เป็นตาปลาเริ่มใหญ่กายใจนี่เป็นหลักสูตรอยู่ที่นี่เพื่อไปถึงมรรคถึงผลสูตรของายคู่ของใจถ้าจบแลก็ถึงมรรคถึงผลก็จบกันนะเหียนจบได้เพราใช่เหรียนไม่จบถ้าปฏิบัติกรรมฐานไม่จบเราจะทำาก็ทำไง มันหลงเห็นมันหลงน่าจะจบง่ายๆทุกเห็นมันทุกลูกขึ้นมาน่าจะจบง่ายๆในความหลงในความทุกและก็มาใช่เรื่องอื่นที่มันงอกงามขึ้นมาน่าจะอยู่ในกำมือถ้าเราตั้งใจใส่ใ จ, ใ จ, ใจดีๆจับหลักของมันได้มั่นใจ เช่เวลาเรานั่งยกมือสร้างจังหวะมัก็รวมชีวิตทั้งหมดเวลาเรียนจงกรมก็รวมมาให้เราได้เห็นทั้งหมดเป็นด่านเป็นช่องเป็นต ก, กะชิลาท้องแหล่งการศึกษามีให้เห็นหมดไม่ใช่เรื่องที่ผ่านอเรื่อง ไหนที่มันเกิดกับการใจเป็นตักกัจิลาของการศึกษาเพืสู่มากสูผลเข้าเท่ากันมาหมดทุกคนได้ลูกได้นาำ ม, มาอาการได้เกิดขึ้นกับลูปอาการได้เกิดขึ้นกอมนามก็เหมือนกันหมดแม้แต่วิธีปฏิบัติวิธีการศึกษาก็เหมือนกันหมดไม่ใช่กระะนอนรณะ น, นี้คุตตสอ เป็นขณะเดียวถ้าจบสูตรนี่แล้วตอ น, นอื่นก็ง่ายตอ น, นอื่นก็ง่ายเหมาะแก่การงานเราจึงต้องน่าจะพอใจภูมิใจต่ออย่างที่ทำให้เราได้ภูมิใจวัดวาลามประเทศไทย ย่าโจมประเทศททยแล้วเปรียบวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติขอให้เราได้สะดวกไปไหนงานไหนในประเทศไทยเลยถามอาจารย์ตุ้มเป็นไงไปเดินทุ่งดงพาเพื่อนไปเดินทุ่ดงที่วัดเราไปตั้งหลายชีวิตโอ้ย ไปตามลอยของพระเจ้าลอยครูวาอาจารย์สะดวกทุกที่ไปที่ไหนก็สะดวกที่นอนวีที่ใช้ชีวิตในอาหารจีนนพระเจ้าได้สร้างไว้เป็นมนุเป็ น, นที่ให้เราได้อาศัย นี่บาดไปเดียวเป็นมูลนิธิสำนัสารูปเพศบ่บรรลชิต น, นักบวดเป็นมูลนิธิของการใช้ชีวิตเพื่อการไปถูมมรรคสุผลไม่ลาบากาตงสนุนส่งเสริมเรานี่ต่สิ่งที่สหนับสนุนให้เราได้ปฏิบัต ประมาทไม่ได้อายอายตัวเองแตเาได้เห็นคนยกมือไหว้ก็ประมาทกัได้ก็ทำให้เราได้ควงบริสุทธิ์ได้ไม่ประมาทในพัฒนาชีวิตของเราจ า, รจากสิมล้อมจากศรัทธาจากสินจากธรรม บิ่งเราได้ปฏิบัติได้พบเห็นอาการที่เกิดกับปายกับใจก็ยังมีชีวิตชีวาเหมือนกับคุ้มค่าที่ข้าวูุกน้ำแจงที่สตาราจงอุปถัมภ์บำรุงเราอปุปนิเพื่อการดีนหนุทํทำได้หน่อย แล้เวเบียบวินยัยมันเพื่อให้เราได้ทำอย่างนี้เนอก็ตื่นรุ่นแม่แต่มองถึงธรรมชาติของคนพ่อแม่ให้กําเนิดเกิดมาอาเพื่อการนี่เนอก็บองไปดางทีพ่อแม่ทำอะไรไม่ไดก็วางลูกเอาไว้วางเอาไว้ไม่หมดพันให้เหลืออยู่เพื่อให้มันทาวันนี้แล้วก็ผู้อยู่เบ้างหลัง โบกให้เราอยู่ชสมเอาเลยลูกกอาเลยลูกเอาเลยเอาเล ย, เเลยสู้สู้เหมือนว่าจากนั้นว่าเราทำราไรลงไปที่มันถูกต้องเหมือนกับว่าแล้วก็คุ้มค่าเวลาเราหลุดพ้นจากเะไมันคุ้มค่าคิจิตนพ่อเห็นแม่ไม่เคยหลุดพ้นไม่เคยรู้เรื่องนี้ ก็ทําเผื่อพ่อเผื่อแม่ทันทีครับเอานี่มือห้างนี่จุดเนี่ยเป็นของพ่ของแม่หายใจเป็นของพ่อของแม่เราจะมาทํากรรมดีเราจะมาทํากรรมดีมันก็ตื่นลือโลนองค์อาแก้วก้าสังหาราสีนี่ลูกของพ่อนีลูกของแม่ลูกสาวของคุณพ่อลูกสาวคุณแม่ลูกชายของคุณพ่อลูกชายของคุณแม่ นี่นั่งอย่างนี้ทำอย่างนี้วางจิตวางใจเกี่ยวกับการสิ่งที่มันเกิดกับกากับใจทาอย่างนี้มันหลงไม่หลงแล้วหวา่นทุกข์ไม่ทุกข์แล้วนี่ลูกของโพ่อของแม่ทำดีให้คุ้มค่าที่พ่อแม่เราเกิดมามันก็ยิ่งสดับสุนเรายหญ่มากเลยแล้วมีเทวดามีเทวดามัามก็สนับสนุสนเรา มีทำแปดหมื่นสีพันอย่างเป็นกุศลาสตรบศูนย์เราเป็นอกุศลเป็นบทเตียนให้เราได้ศึกษาเราก็ได้ประโยชน์จากมันเราได้เตียนรูจากมันได้ปัญญาจากมันแต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาปัดที่ปัญหาเป็นปัญญาแล้วก็ลึกซึ้งจิตใจ แต่เปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีในกายในใจมาเป็นความดีเจ้าขั้งกับม่านยาชัดเจนได้เปลี่ยนหลงเป็นลูกมันขึ้นเหมือนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก้าวไ ป, ไ, ปได้พ้นไปเอาไว้หลังความหลงไว้หลังความทุกข์ไว้หลังความโกรธความรักความชังอะไรก็ตามเอาไว้หลังเอาไว้หลังมันก็ปรากฏว่ามัน ลุดพ้นอย่างนั้นจริงๆปฏิวัติธรรมให้เราใช้ใจถ้าเราไม่หลุดพ้นเราจะเดินอะไรเดินทำไมเหมือนคนเดินทางาย่ำเท่าอยู่ไม่รู้จะเดินทำไมอาบแดดอาบฝนเหงะไหลขย้อ ย, ไ, ย, ย, อยไม่ได้ไปที่ไหนสติเหมือนกันเดินทางเพื่อความลุดพ้น พ้นอะไรพ้นความหลงพนความผิดพ้นความถูกพ้นความถูกพ้นความทุกข์พ้นความจุดหมายประดาพ้นการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่หลุดพ้นทำทำไปถ้าไม่ส ำ, ทำเร็จจะทำกันทำใหม่เลาเจ้าก็มาหลอกเราเลยทำไม่ไหนหลอกเราเลยสัมผัส ด, ดูสิ โอ้มันเกิดศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ง่ายๆแล้วก็ไม่เปีเ่ยวเดียวดายเ ย, ยอะแยะโตผิดตรงนี้เออก็เห็นเอ้าสมัยก่อนพระอรหันตที่เกิดขึ้นก็มาก็ผิดตรงนี้ก็เชื่อตรงนี้นะมันหลงตรงนี้ก็เชื่อตรงนี้นะ ยูนมีธรรมอะไรขึ้นมามากมาสอนเราลอยพระพุทธเจ้าลอยธรทำลอยพระอาหารหันเวกาวากายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลกโอ้พระเจ้าเราเห็นตอนนี้แต่ผ่านตอนนี้ก็ได้ทำอย่างนี้เอทานาสักว่าเวทานาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนโลก โอ้โพุทธิย่อเขาทํหน้านี้ง่ายง่าจะเนี่ยอุ่นใจนะเราจะจังให้สุกเป็นฉุกอยู่นั่นเอพระเจ้าไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วไล่ด้วยกับพเจ้ยาย่อเลยอย่ามานั่งเงาน่า ง, งอนอยู่เวลามาข้าเหยียด ก, ก่านั่งนะขาเหยียอยู่เชนนั้นเป็นเวทนาทุกเวทนาโอ้ยไปแล้วพุทเจ้าอเห็นเวทนาสักเวทนามาเชิตุคนนั่นน่ยน่าจะกระโดดตอกไป ยกตอนนอก้นหนไปเหมือนางตกหลุมมันยกตัวขึ้นมาจิตตกหลุมก็ยกออกง่ายๆสร้างกรรมฐานเอากรรมฐานเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นหลักเป็นนิมิตตกะไว้ช่วยตัวเองด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมองถึงพระเจ้า เราจะมาเกิดขึ้นมองตรงกันข้ามทุกกรณีอย่ามองแบบจนๆตรงกันข้ามทุกเรื่องมันไ่ใช่เป็นหนึ่งเดียวไอ้ใช่จำนวนรือยอมได้ทุกอย่างอเอาเลยเอาเลยอ่ายมกำลังหุงข้าวให้เรากินอยู่นู่น ไปเปนทา บ, บาทเจ้าจมจะเตรียมอะไรไว้แล้วสนวบถนนเราเราคงก็คิดต้นดนีไว้แล้วแล้วไปอยู่วัดภูก็ทรองวันญาจอมมาหาทั้งสามคนเออมาจากไกลจากไกลไหนเขาคิดถึงเราก็มาหามาฉนธ น, นาทากันน่า มีครสนับสนุนมืองกาบาว่ามีคนเห็ยนด้วยบาทงทีเอาแผ่นทองมาขอเป็นมุจลิมงคลจะไปหล่อพระพุทธรูปเอาแผ่นทองมาให้เซ็นหนังสืออะไรก็ได้จะเขียนอะไรก็ได้เอาเหล็กจานเหล็กนั่นมาให้ด้วยแล้วก็เขียนอย่างภาคภูมิใจว่าไม่เป็นอะไรก็ว่าลา เฉยๆสุดๆทอนไม่เป็นอะไรกับอะไรอ่านเขาอานโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยไม่เศร้าพอใจมากเราะว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรนะมันเหนือทุกอย่างแล้วแล้วก็มีแต่เสียงสนับสนุนเาราเดย์านาทีก็สนับสนุนเราเป็นวัดป่าสุกโตก็สนับสนุนเรา จะชอบไม่คุ้ไปเลยทั้งหัดก็ลดอยู่คนเดียวหลบรลีกไปวิเวกได้ทุกโอกาสถึงเวลาฉันก็มาฉันตอนเช้าเจดโมงครึ่งตอนเพียงสิบเอดโมงมาฉันหน่อยาทีก็มีสถาจภาพสร้างกระตือให้ทำไฟทำน้ำให้มหาชัยมาทำไปผ้าใต้ดินให้ สายเท่าแขนเนี่ยทั่ววัดห้าร้อยไร่หน้าปลาป่าน้าไปให้ใช้เปิดได้เป็นโอกาสท่าไปแม่ดับเพื่อความสะดวกในกรรมฐานก่อน ใ, ใช้ไม่ฉ่อยมีคนตามสนุนอุ้ยไม่น่าจะที่เจ็ดที่กา้านขยายมันเพียนะนี่เพงจะับจูนเรามากมาย หลวงพ่อก็เคลียหลวงพ่อก็จะเป็นมิตรจะพาไม่จะไม่พาหลงทิศหลงทางเพื่อนมิตรมาจากประเทศจีนมาจากศรีลังกาก็อุ่นใจดีเพื่อนมิตรประเทศมากกวชมิตรประเทศแต่ละชาตินี่วันนี้ก็จะมีชีวิตเล า, ากไปพัมม่ากันแล้ว ไปดูซีพมาลูกตาก็มีนคนได้วนไปพมา่าจะไปหไหนยม่ไเนีะเราได้วนไปเที่ยวพมา่า่อดีกับวัดป่าตุกตูจะไปพมา่าแต่ว่าไม่ไปเขานี่หรอกถ้าไปกขดูท่าทางดีๆก่อนก้อนเป็นพระตัวคนอื่น เราอยากให้ไปไหมชีพิตฮะก็กลบพวกเรานะกลบมิตรเพื่อนมิตรมัดป่าจากุกโตที่ช่วยชีวิตเราลอดมาถ้าเพื่อนห้ามก็ไม่ไปถ้าเพื่อนไม่ห้ามก็ไปอ่าก็าฮราเพื่อนอยู่นะถ้าจะให้ไปก็ไปคิดว่าไปได้นะ แต่ว่าจะให้ไปแสดงธรรมเผยแผ่ไปไม่ได้นะพูดได้แต่ต่อสัญเช่าที่นี่เท่านั้นไปพูดนอกเจกนี่พูดไม่ได้นะเออเพราะนั้นจะไม่รับการแสดงทํามไปตรวจประชันไม่ไปถ้าไปเล่นๆไปเที่ยวก็อิสฉาแบบนั้นเราได้จะคิดว่าเรนะาจะไปรับงานรับกรรมรับผิดชอบอย่างคนเดว้ย นอนเฝ้าอยู่สองเดือนมาจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาทน่เมนองไปสักห้าปีบอกว่าไปไม่ไหวมันแฉแล้วไม่แฉยังดีอยู่เพราว่าเราแฉเขาว่าเราไม่แฉยังแข็งแรงยังแข็งแรงนอนเฝ้าอยู่สองเดือนหลังนั้นไม่ไป